ใจฟังเพื่อให้จำได้และวำเ น, นํนไปปฏิบัติถ้าฟังไม่ดีก็จำไม่ได้ไปปฏิบัติก็เลยไม่ได้ผลวันนี้เป็นวันที่สามริดธัวาคมสอง0ห้าร้อยสามติรงกับวันอังคารพุทธิดพุทธพวกเราได้มีคนนัดหมายกันมาปฏิบัติขัดมาก ว่าปฏิบัติธรรมะนี่มันมันหลายคนโูดว่าปฏิบัติธรรมะธรรมะธรรมะนี่คนเข้าใจไม่เหมือน ส, สำหรับหลวงพ่อจะนำมาเล่าสู่ฟังเลยวันนี้ว่าตามอุดมการตัวเองจะหาว่ามันไม่มีในตำราก็ว่าได้หรือมันมีในตำราก็ว่าได้คิดว่าไม่มีในตารานั่นคื อ, อยังไม่ได้เข้าใจ คือว่ามันมีในตำรานั่นเพราะว่าเราคนพบทำไมจึงว่าไม่เข้าใจคือพระพุทธเจ้าท่านสอนให้เรามีสติกำหนดรู้ในอิริยาบถทั้งสี่ยืนขอให้มีสติเขาไปรู้นั่งขอให้มีสติเข้าไปรู้นอนขอให้มีสติเข้าไปรู้เดินขอให้มีสติเขาไปรู้อันนี้แปลว่ามีในตำรานในคำพูดคำสอน แต่เราไม่เข้าใจทำเราเนี้หาว่ามันไม่มีตําแหน่งมันเป็นยังไงไม่อ่านมากเกินไปมันกข้ามไปแต่เท่านั้นเขายังไม่แฝท่านสอนให้มีสติเข้าไปากําหนดรู้ในอิริยาบทย่อยสู้เหยียดเคลื่อนไหวโดยวิธีใดตัวให้มีสติเข้าไปตาําหนรู้แต่ท่านสอนนั้นมีความหมายให้รู้แล้วจะมีประโยชน์อะไรเราไม่เข้าใจเราก็เลยไม่ได้ทําเลย เทโตหลวงพ่อเองทำเมื่อกำนดสติอันนี้รู้ขึ้นมาก็เลยรู้จักตัวเองผลมันเกิดขึ้นให้เรารู้จักตัวเองแค่ของมันคือเรามีสติรู้ ก, ก็ไม่รู้อื่นไงรู้ตัวเรากําลังเคลื่อนกําลังไหวอยู่นี่แหละอันนี้แหละเป็นรูปกําลังเคลื่อนกำลังไหวเป็นรูปรูปน้ำรูป ก, กำํำนามมันติดกันอยู่ที่นี้แต่วรูปทำนา้ำทำ รู้อย่างอื่นไม่ถูกต้องอนนเมื่อรู้อันนี้ก็เข้าใจเลยพระพรทเจ้าสอนของจริงแม้จะมีผูร้รู้ก็เป็นอยู่อย่างนั้นไม่มีผูร้รู้ก็เป็นอยู่อย่า ง, งนี้เพราะมันมีอยู่อย่างนั้นดังนั้นธรรมที่ทมของพระพุทธเจ้าเป็นพระพุทธเจ้าจร่งมีมาขอพระพุทธเจ้าคนเกิดมามันมีแล่งมันมีการเคลื่อนการไหวเป็นอย่างนั้นเราทุกคนต้องรู้ ถ้าหากเป็นคนจริงเสียอย่างเดียวตอนนั้นเองวการพูดก็ต้องพูดจริงทําก็ต้องทําจริงคิดก็ต้องคิดจริงการอบรมครั้งนี้ตั้งแต่วันที่สามสิบวันนี้ไปถึงวันที่สี่วันที่สี่นอะวันที่สี่เดือนหน้าเดือนมกราเราต้องเอาผลของมันจริงๆ เป็นการเตือนกันไว้ไม่ต้องพูดต้องฝุ่ยมากทำการทำงานตามหน้าที่ของตัวเองเ้็นใครคนใหม่นะต้องนั่งสร้งจังหวะให้มากจะไปเดินมากที่หลงพ่อเคยทดลองมาถ้าคนที่เป็นคนเคยแล้วเนี่ยเดินจมกมให้มากทำไมจึงเป็นอย่างนั้นเพราะเดินจมกรมมันคิดมากแลการนั่งสร้างจังหวะนั้น มันลูกกลมเคล น, นไหวมากมันเป็นยังงเพราะว่าคนใหม่ต้องจำเสกได้องให้ทําสา้ามีวิธีทํำแต่วิธีที่หลวงพ่อพูดนี่ไม่ต้องนั่งหลับตาต้องลื่นตาแล้วก็หูฟังดูให้เห็นให้รู้ให้เข้าใจมันเป็งไงรู้แล้วก็ไม่หลงไม่หลุนเป็นอารมณ์จริงๆด้ียว่าอารมณ์ของวิปัสนาคําว่าวิปัสนามันเป็นซื้อเหมนันตนี้ แต่วิปัสนาไปว่ารู้แจ้งรู้จริงรู้ล้ต่างเก่าล่วงภาวะเดิมทำไมรู้แจ้งก็คือรู้ตัวเรารู้จริงก็คือรู้ตัวเรารู้ล้ก็ต่างเก่าจริงต่างเก่าเพราะเจ้าก็ไม่เคยรู้เจ้ากไม่เคยรู้ปรติาสก็ล่วงภาวะเดิมล่วงจากภาวะที่ยังไม่รู้นั่นแหละรู้แล้วนี่ยอดล่วงจากภาวะที่มืดมาสู่ภาวะที่แจ้ง นยรัรู้จริงๆหนึ่งนี้รับรองได้เพราะมันของจริงหนึ่งไม่เฉพาะแต่พระสงฆ์องค์นึ่ไม่เฉพาะตั้งแต่ญาติใโยมให้เพื่อคนเนี่ยทุกคนต้องรู้จะเป็นคนไทยก็ต้องรู้อันนี้เป็นคนจีนก็ต้องรู้อันนี้หรือศาสนาไหนก็ตามลูผ้าพสีอะไรก็ตามอย่างให้ทานก็รู้อันนี้ไม่ให้ทานก็ต้องรู้อันนี้ รักษาสิ้นก็รู้อันนี้ไม่รักษาสิ้นก็รู้อันนี้นี่เราของสิ่งแท้ไม่เปลี่ยนแปลงไม่แตกหักรู้อันนี้แล้วเราม า, าศึกษาที่นี่แต่ว่าเรามาทำให้พุทธศาสนาเจริญเรามาสื่อต่ออนุภาพพุทธศาสนาให้มั่นคงเอาไว้ถ้าเราจเจริญแล้วเน่ะคุอื่นก็ต้องเรจเริญมาทำให้พุทธศาสนาเจริญทำให้พุทธศาสนามั่นคง เราก็ต้องมั่นคงคำว่าจเจริญก็เรารู้จริงแล้วไม่หวั่นไหวต่อคำพูดใหญๆแลวมั่นคงแล้วบไปใครจะพูดว่ายัางไ <kin. S 1> งก็เรื่องของคนนั้นเรื่องของคนนี้เรามั่นคงต่อการกับทําของเราใครว่าผิดก็เป็นเรื่องของคนนั้นใครว่าถูกก็เป็นเรื่องของคนนั้นเราเชื่อมั่นในการกระทําของเราเชื่อมั่นวิธีที่ทําของเร า, ญญาเชื่อมัญญ่นคง เราทำให้มั่นคงแล้วคนอื่นทำก็มั่นคงเหมือนกันมันเป็นอย่างไ น, นอันนี้เราไม่ทำมีแต่พูดไป่สอนกันเลยไม่เข้าใจเมื่อไม่เข้าใจก็ไปสอนกันมันก็เลยไม่รู้ตงหาว่าคำสอนของพระพุทธเจ้าเน่ยไม่จริงไม่จังเป็นอย่างไ น, นดังนั้นเรามาที่นี้มาอบรมครั้งนี้ให้ตั้งใจเอาคุณภาพมันจริงๆ เราไม่ต้องพูดต้องคุยอะไรกันมากตั้งใจสร้างจังหวะทกซ้า ท, สสาทีแรกต้องทำซสส้ำคนที่ในในเนี่ยไม่เือที่คนเคยทํามาแล้วหลายครั้งหลายหนแล้วทําจังหวะให้มันไหวขึ้นแล้วก็เดินจนผมมันมันไหวขึ้นพันมาไหวก็ไม่ไม่ถึงกับวิ่งกับแลนอะนไปพอดีพอดีทําเพื่อใเป็นประโยชน์อะไรให้มันสติรู้ทำรู้ความรู้สึกตัวนทันกับส่วนไม่รู้ โดยมากเราไม่ครู้ตัวเรามันคิดเราไม่รู้มันเคลื่อนมันไหวเราไม่รู้มันเป็นยางไงมันไปตามสองซาตยาของบัตรบัตรนี้เราจะทำให้มันมีสติหรือให้มีความรู้สึกอันสติกับความรู้สึกมันเป็นคนเดียวความรู้สึกตัวเราเคลื่อนไหวไปมาโดยวิธีใดจะให้เรารู้คนว่าสติกับแปลว่าความรับรกได้เรียกว่าสติ อาษาบ้านหลราเรียกว่าให้รู้สึกตัวรู้สึกตัวรู้สึกใจตัวเราก็ให้รู้ใจคิดก็ให้รู้จรเมื่อทําแล้วจะมียานปัญญาเกิดขึ้นจริงๆยานปัญญาได้ไม่ใช่ว่าคิดเอาหน้า น, น, นี้มันจะเป็นการเห็นแจ้งรู้จริงไม่ใช่ตายเห็นใจมันเห็นใจมันรู้ใจมันเข้าใจใจมันสัมผัสใจมันแนบแน่นกับสิ่งเหล่านั้น ทุ ก, ก็จะลดน้อยลดลงคนเรามันทุกแต่เราไม่เข้าใจไม่เข้าใจว่าดราเป็นทุกการเคลื่อนการไหลในอิริยาบถมันเป็นตัวทุกนี่ว่าทุกขงังอ น, นิจจังอนัตตาเป็นคำเดียวกันทุกขงังก็แปลว่ามันติดอยู่กับรูปนี่เองรูปนั่มันมเคลื่อนมันไหลอา น, นิจจังมันไม่เที่ย ง, น, งนั่งนิ่งอยู่ไม่ได้มันเป็นไปตามหน้าที่ของมัน อนัตตาบังคับบัญชาไม่ได้มันเป็นไปตามเรื่องของมันอั น, นี่ก็ให้รู้รู้แล้วพัฒนาไม่ได้ต่วนหนแต่ตัวทุกครั้งอ น, นิจจังอนัตตาภายในคือตัวจิตตัวใ จ, ต, วใจตัวนึกตกคิดนั้นพัฒนาได้ตัวนีน้เพราะตัวนี้มันไม่รู้ว่าุยังตาเห็นเนี่ยตามันไม่รู้ว่าดีว่างามใจมันรู้ว่าดีว่างายหูฟังเสียงก็เช่นเดียวกันหูมันไม่รู้ใจมันรู้ ดังเราพุกจิ้เหน็นหอมดังมันไม่รู้ใจมันรู้ร่างกายเรานี่นอนกระทบกิงที่นุ่มที่นวนที่แข็งร่างกายมันไม่รู้รูปที่มันไม่รู้ใจมันรู้ไม่เป็นงไงกินข้าวกินอาหารเผ็ดเค็มหวานเปรี้ยวอะไรก็ตามมันไม่รู้ปากนี่มันไม่รู้ใจมันรู้ที่ว่าใจเป็นสิ่งสำคัญที่สุดมาปฏิบัติธรรมะมิตริปฏิบัติรับนัด โดยไม่ต้องอ้างเองเอากับกำรังตำราอะไรมากเกินไปเพราะว่าพระพุทธเจ้าอสอนของจริงแล้วลองทำวิธีนี้วิธีอื่นๆนั่นก็นดีไม่ใช่ไม่ดีแต่ว่ามันมานานเข้าใจวิธีนี้หลวงพ่อเคยสอนมาเด็กน้อยนีนะอายไุไม่เกินเก้าปีไปถึงสิบสามปีไม่เกินสามสิบวันสักคนรู้ทุกคนจะเป็ น, นยางไง จาเป็นผู้หญิงก็รู้เป็นผู้ชายก็รู้ถ้าเป็นผู้แก่ ม, มีอายุมากในเกณฑสามเดือนรู้บางคนบางคนคนนานเป็นปีก็มีนะบางคนนั้นพวกเรามาที่นี่เป็นนักศึกษาวังจำได้อย่างที่พระพุทธเจ้าพ้นสอนก็เปันจาวักทีสังฆะทัญยโกนทันฟังทีเดียวเข้าใจเลยเอาไปแก้ปัญหาตัวเองได้ทันที เป็นอย่างไั้นเจ้พวกตีคนนั้นจำเป็นต้องเจริญสติฟังหลายครั้งหลายหนเป็นอย่างนั้นวิธีที่ทํานี่หลาขอรับประกันรับประกันคําพูดตัวเองรับประกันวิธีที่เราเอามาสอนรับรองได้เป็นอย่างไัทําไมจึงรับรองได้เอาลองดูถ้าหาคนใดมีเงินเดือน ในอาจารย์เดือนพันบาทเนี่ยสมมุติเอาพันบาทเปิดต้นทำถึุสามเดือนถ้าหากยังไม่รู้หลวงพ่อจะพยายามหาเงินให้สามพันบาทสามเดือนทำจริงนะเป็นคนจริงนะอันนี้เป็นคําพูดของหลวงพ่อเองทําไมพูดอย่างนั้นเพราะพระพุทธเจ้าเพิ่งก็ตัดเอาไว้ว่าตัดทั้งหลายเราพูดเป็นตั๋งคดไปถึงแล้วแหงนั้นแล้วจึงนํามาสอนพวกศิษย้ง ให้พวกเธอทั้งหลายจงประพฤติปฏิบัติตามอย่างหลอดตาขุดนี้ก็จะรู้จะเห็นจะเป็นจะมีอย่างหลอดตาขุดนี้คำนี้เป็นคำพระพุทธเจ้ารับรองให้เราทำตามพระพุทธเจ้าอันนี้เราไม่ทำมีแต่พูดมีแต่พูดมันก็เลยไม่รู้คำพูดคาแสดงมีมากแล้วแต่การกระทำยังมีน้อยนกว่ามีแต่ปริมาณคุณภาพมีน้อย อันนี้วิธีที่ทาเนี่ยจะให้มันมีคุณภาพค่าของคนค่าของคนเี่ิทของคนนี่นะซื้อไม่ได้หายไม่ได้จึมีค่ามากที่สุดแล้วคนเราเกิดมาไม่ต้องกา่าวคน ท, ทุกคนไม่ต้องกาวคนทุกแต่ทุกเกิดขึ้นเพราะเราไม่รู้นั่นเองเราไม่รู้ถึงทุกหาว่าคนนั้นพูดอย่างนั้นให้เรา หาว่าคนนี้พูดอย่างนี้ให้เราเนี่ยคิดไปยังแก่ความเสี่ยงคำพูดของคนอื่นนะเราจะไปเย็ดเตะเราต้องดูใจเรานี่ใจเราเนี่มันไม่ทุกแลี่มันก็นไม่มีเรื่องอะไรชีวิตกล่ว่าได้ใจกล่ว่าได้มันมันหลายคําพูดชีวิตเป็นอยู่เพราะยังมีลมหาใจมีลมหายใจก็ต้องมีชีวิตบัตรมืคนเรามีชีวิตอยู่มีลมหายใจอยู่ เป็นหลักทุกมีดีใจมีเสียใจเยอันนั้นเป็นหลัทุกอันนั้นก็เป็นทุกขงังเป็นอนิจจังเป็นอนัตตาเหมือนกันมันจะเป็นซันเป็นซันขึ้นไปหลก็จะพูดให้ฟังวันนี้ขั้นแรกที่สุดต้องให้รู้จักรูปนามรู้จักรูปนามรูปธรรมนามธรรมรูปโลกนามโลกแล้วก็รู้จักทุกขงังรู้จักอนิจจังรู้จักอนัตตารู้จักอันนี้แล้วก็ให้รู้จักสมมติ สมมุติศาสนาสมมุติพุทธศาสนาสมมุติผีสมมุติเทวดาสมมุติเลื่องงามยามดีสมมุติทุกอย่างเน่ยเสื้อผ้าอะไ้สมมุติทั้งนั้นแต่เราให้มันรู้ตัวบทกฎหมายก็ต้องให้มันรู้สมมุติในดบบคนที่ว่าสมมุติพูดให้ผ่านฝังให้รู้เรื่องให้รู้สมมุติจริงๆรู้ให้ครบให้จบให้ท้วนรู้สมมุติดีแล้วก็รู้จากศาสนา รู้จักพุทธศาสนาศาสนากับพุทธศาสนานี่ไม่ใช่อันเดียวกันนะคนละอันกันเพื่อคนรู้มาศาสนาแปลว่าคำตั้งสอนของท่านผู้รู้ใครรู้เรื่องอะไรก็นามาสอนเราสอนให้เราเลิกจากการทาทั่วพูดทั่วคุยทั่วเพราะนั่นเป็นเพียงศาสนาที่วเป็นสังคมถ้าคนเลิกละจากการทาทั่วพูดชั่วคุยทั่ ว, วสังคมแล้วก็สบาย ยังไม่เป็นพุทธศาสนาพุทธศาสนาคือรู้เองเห็นเองเข้าใจเองพุทธะจึงแปลว่าผูร้รู้ตัวรู้ก็คือตัวสติก ว, ว่าได้ตัวปัญญาก ว, ว่าได้ตัววิญญาณกววา็ว่าได้จะว่ายังไงก็ ว, ว่าได้ตัวรู้เองเห็นเองเข้าใจเองรู้แล้วไม่เก้อเขินมัเป็นยังไงเมื่อรู้อันนี้แล้วรียกว่ารู้บาโล้บุนหลวงพรู้จริงๆบาบก็คือเราไม่รู้นั่นเองคือเราอยู่ที่มืดแทน บาปก็คืองูคือไม่รู้บุญก็คือเรารู้เราสว่างทางจิตทางใจเราแม่ใช่สว่างคือยังเราใต้ไปคือใจมันสว่างใจมันหลุดพ้นไปจากขุมไม่รู้หือว่าใจหลุดพ้นไปกันว่า เ, เมื่อหลุดพ้นไปพักนึงเราก็รู้จักว่าจิตใจเราหลุดพ้นไปแล้วพักนึงแล้วแล้วเมื่อรู้อันนี้แล้วบัด น, นี้มันจะเป็นควมรู้ชนิดหนึ่งเกิดขึ้นมาให้เรา เราจะเกิดตีกิ้วไ้ทท่งทันทีอันนั้นตัวกลมรู้อันนั้นมันมันเป็นอุปสรรคที่หลวงพ่อพูดให้ฟังเท่งเลยพอดีมาให้มัดควนอารมณ์ลูปนามเหล่านี้อยากให้มันหลงมันลืมจะเป็นยางไงรู้อันนี้หลวงพ่จิตใจจะล่าเริงเบิกบานไปหลวงพ่อเป็นยางนไงหลวงพรู้แล้วงพ่อไม่เสือมเสืนใครจะพูดว่าผิดก็เป็นเรื่องคําพูดของคนใครจะพูดว่าถูกก็เป็นเรื่องของคนหลวงพ่อตัดสินใจว่าถูกต้อง ตามคำสอนของพระพุทธเจ้าท่านสอนอย่างนี้หลวงพ่อกลเข้าใจจย่างไรที่เรวก็่อนำมาว่าให้สองอันนี้เป็นรู้เบื้องต้นคนมีปัญญาจาได้ทันทีไม่ต้องอาศัยยานปัญญาอันนี้วันนี้เรามารู้อันนี้แล้วก็มันมีความคิดขึ้นมาเราจะไปะยุ่กับคุมคิดให้เรามายุ่กับคมเคลื่อนไหวเคลื่อนไหวไปมาโดยวิธีใดก็ให้รู้ มือขึ้นควบมือลงยกมือไปเอามือมาแต่มีจังหวะที่ดีแท้ให้เรียนจังหวะค้องตัวจังหวะลุกจังหวะนั่งจังหวะนอนจังหวะกราบจังหวะไหว้เมื่อคนใดเรียนค้องตัวดีแล้วกานปฏิบัติก็ให้ผลดีคนใดยังจังหวะไม่ค้องตัวก็ซาบ้างเพราะว่ามันยังสงสัยอย่างไรจังหวะให้มีจังหวะทา จังหวะลุกก็มีจังหวะนั่งก็มีที่หลวงพ่อสุดขั้มาจังหวะกราบจังหวะไหว้อือย่างที่เราพูดนมโมตัตตะเนมโมตัตตาภควาโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธะมันเป็นภาษาบาลีนนมันไม่ใช่ขังไมาจา่จักดิ์ทิ์อะไรกันเนมโมตัตตาภควาโตแปลว่าขอนกน้อมนกทํำยังไงน้อมทำยังไ ง, ง, ง, ไงเราไม่รู้ อรหาโตแป้ผู้กไก่จากสิเลสไก่จากฆาสึกไก่จากอันตรายฆาสึกก็คือโทสะโมหะโลภะผมไม่รู้นั่นเองไก่จากอันนี้กรมมาสมพุทธลสะพระพุทธเจ้าตัดสรู้เองโดยชอบรู้เห็นเข้าใจเป็นอย่างนีน้เมื่อรู้อันนี้เราจะรู้ไปอย่างนี้นที่หลวงพ่อนำมาหลายครัง้งให้ดูความคิดมันมันคิดปุ๊บให้รู้ทิ้งทันทียับเข้าไปในความคิดอันนั้น เรามายุ่กับความเคลื่อนไหวอันนี้รู้มากเข้ามากเข้าความไม่รู้ก็จะน้อยลงควมรู้จะมากขึ้นทีแรกเรารู้จากเรื่องเดียวไม่ใช่จาก1ิดเรื่องเดียววันนี้เรารู้สองเรื่องมันก็รุดลงมาเรารู้จาก5้าเรื่องก็ลุดลงมาคนที่สุดมันคิด1ิรเรื่องเราก็รู้ติเรื่องจิตใจเราจะเปลี่ยนแปลงจากความไม่รู้อันนั้นเรียกว่าจิตใจหลุดพ้นแล้วหลุดพ้นไปจากที่ไหน มันไม่ใช่ว่าหลุดพ้นไป่อย่างตัวเราจะรู้เองอจิตใจหลุดพ้นไปจากโภสจิตใจหลุดพ้นไปจากโมหะจิตใจหลุดพ้นไปจากโลภะเพราะโภสโมหะโลภะเป็นกิเลส ย, ยาวๆเรารักษาศีลมาตั้งหลายปีแล้วศีลเป็นเครื่องกําจัดกิเลส ย, ยาวๆจะรักษาแค่ขัข้นขนาดไหนก็ยังไม่เป็นสิทธิอันนี้ อันนี้รักษาก็ได้ไม่รักษาก็ได้เพราะชินอันนี้มันสําคัญชินจึงเป็นเครื่องกํกจาจัดสิเดียอย่างยากเราทําเรารู้อันนี้แล้วโทสะโมหโลภจางหายไป แ, แล้วกน็นั่นแหละชินปรากฏขึ้นมาแล้วเราจะเป็นปกติแล้วอันนี้แหละเป็นเรื่องต้นแต่ว่าได้กระแสพระนิพานได้ต้นทางอันนี้เราจะรู้จริงๆไม่ต้องไปถามใครที่ไหนเลยอันนี้รู้จริงๆมันต้องเป็นอย่างนั้น ที่หลวงพ่อรู้มารู้ตอนเย็นหลวงพ่อรู้รู้อันนี้แล้วก็ทําไปแล้วก็เกิดความรู้ความเห็นความเข้าใจขึ้นมาอีกพักหนึ่งนจิตใจเปลี่ยนใจเราจะรู้ว่าอาริยามะอริยผลขึ้นมาทันทีดังนั้นน่าสิ่งจะเป็นเครื่องกําจัดกิเลสอย่างยาบสมาธิเป็นเครื่องกําจัด ก, กิเลสอย่งางตายปัญญาเป็นเครื่องกาจัดกิเลสอย่างละเอียดให้เราถามจริง ตัวระยะเวลาวันที่สามสี่สามสิบเอ็ด่งสองสามสบระยะห้าหกวันเนี่ยทำจริงๆต้องรู้จริงๆแต่ขอให้เป็นคนจริงเท่านั้นเองอย่าเป็นคนหลอกแหละถ้าเป็นคนหลอกแหละไม่เข้าใจการปฏิบัติอันนี้คือไม่ต้องอาศัยการพูดการคุยกันมากเพราะครั้งนี้จะไม่มีการพูดการคุยกันมากการสแสดงธรรมก็ให้สแสดง น, น้อยที่สุด แสดงเวลาทําวัรรเดเ้าทําวัดเย็นก็พอแล้วหรือตอนเวลาสัก็พอแล้วทุกครั้งเราต้องมีครูบาอาจารย์มาเป็นวิทยากรพูดเรื่องนั้นพูดเรื่องนี้คนที่ปฏิบัติก็กังวลคนนั้นก็พูดเป็นเรื่องนั้นคนนี้ก็พูดเป็นเรื่องนี้ได้จกจะปฏิบัติเรื่องใดมันไม่เข้าใจที่หลวงพ่อพูดนี่คือไม่ต้องฟังอะไรมากต้องทําความรู้สึกตัวให้มาก เมื่อความรู้สุดตัวมากขึ้นมากขึ้นความไม่รู้มันจะหมดไปจริงเราจะปฏิบัติให้มันถึงที่สุดของทุกได้จริงจริรับรองว่าคนทุกคนถึงได้ถึงที่สุดทุกได้จริงจริงแต่ในขณะนี้เราก็ไม่รู้หลวงพ่อเองก็ไม่รู้ที่แรกเมื่อหลวงพ่เข้าใจแล้ ว, วทุกคนก็มีจิตมีใจเหมือนกันคนไทยก็มีจิตมีใจคนจีนก็มีจิตมีใจ คนฝรั่งเศสคนอังกฤษให้ว่าคนในทุกชาตทุกภาษามีจิตมีใจเหมือนกันโยนธรรมะแค่คือสิ่งเดียวกันอันั้นเองรู้อันเดียวกันนี้แก้ปัญหาอันเดียวกันนี้จะพรมทุกมัน่นคือลดน้อยไปเมื่อเราไม่มีทุกเราเราอยู่ที่ไหนก็สบายกันเพราะนั้นคือหรือวคนมันต้องทําการทํางานตามหน้าที่